นองสบายแตงสบายนะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะพะคะวะโต อรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะเป็นที่พึ่ง ที่พึ่งที่เกาะที่ยึดแนวทางจิตทางใจนอกจากพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่าที่พึ่งอันประเริฐทั้งสามประการ แยกโดยสมมุติแยกโดยสมมุติเดี๋ยวว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประกาศสัจธรรมเดียวว่าเป็นเจ้าของพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาคือศ า, าสนาธรรมที่พระพุทธเจ้า ได้ทรงประกาศได้ทรงสอนสอนผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามเข้าใจในสัจธรรมเรียกว่าเข้าถึงธรรมหรือว่ารู้ถึงธรรมตามความเป็นจริงเรียกว่า มูสงสาวกหรือพระอริยสงสาวกเมื่อเข้าถึงธรรมะรู้ธรรมเห็นธรรมนับนับตั้งแต่เบื้องต้นเห็นความจริงของอนิจจังความไม่เที่ยงเห็นความจริงของทุกขังหรือทุกข์ขัดคือความทุกข์ความที่ ทนอยู่เป็นปัจจุบันไม่ได้แล้วก็ลู้ถึงความที่ไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีสมมุติบัญญัตินี่ผู้เข้าใจในอันนี้จังทุกครั้งหน้าตาท่านเรียกว่า เป็นผู้ประเสริฐเป็นพระอริยเจ้าหรือว่าเข้าใจในอริยธรรมคือธรรมที่ทำให้เป็นผู้ประเสริฐให้เป็นผู้พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายหรือว่าพ้นจากทุกข์พราะทุกข์มีอยู่ในความเกิด ความแก่ความตายความเก็บความตายมารู้ทรรมเข้าใจในธรรมพ้นจากความเกิดแก่เก็บตายก็มไม่มีทุกข์นี่ยังว่าพ้นจากทุกข์ได้ด้วยการรู้ความจริงของพระธรรมหรือเข้าถึงพระธรรมตามเป็นจริง นี่เรียกว่ามู้พระสงฆ์สาวกหรือพระอริยสงฆ์สาวกเนมีมีสามอาการเท่านี้ทีนี่สามอาการเนี่เมื่อรวมเข้ามาก็เป็นเรื่องของใจเป็นเรื่องของนามธรรมาเรื่องของใจเรื่องของความรู้ที่เกิดขึ้นกับใจอ ที่เรียกว่าปัญญาความรู้จริงเห็นจริงความรู้ชอบในสภาวะธรรมตามเป็นจริงจึงจะพ้นจากความเกิดความแก่ความเก็บความตายจึงจะพ้นจากทุกหรือว่าหลุดพ้นจาก อุปทานสมมุติอุปทานกรรมจรึงจะพ้นจากทุกโดยสิ้นเชิงอี่เพออาศัยพระพุทธเจ้าเป็นผู้สร้างบา ร, รมีเป็นผู้สั่งสมอบรมเป็นผู้ฝึกหัดปฏิบัติสร้างบา ร, รมีสิบประการนับตั้งแต่ บารมีธรรมดาเป็นบารมีละเอียดเข้าไปเป็นจากบารมีธรรมดาเป็นอุปปาบารมีเป็นปรมาถาบารมีปรมาถบารมีเรียกว่าเป็นอาการแห่งความประพฤติปฏิบัติหรือฝึกฝนอบรมจนเข้าเป็นจิตเป็นใจอื เป็นปัญญาที่ใจปัญญาบารมีก็เรียกว่าใจมีปัญญาปัญญาของเราเองปัญญาที่เราฝึกหัดปฏิบัติค้นคว้าพินิษพิจารณาตามกระแสธรรมให้รู้ให้เห็นเข้าใจนี่เรียกว่าเป็นปัญญาของเราไม่ใช่ปัญญาของครูบาอาจารย์ไม่ใช่ปัญญาของผู้อื่นไม่ใช่ปัญญาของพระพุทธเจ้า อาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติจนเกิดเป็นปัญญาของเราเองในจิตในใจของเราเองรู้เข้าใจความจริงถอนความยึดความถือความสงสัยลังเลความรูปรูปคํคๆไม่มีเป็นความถึงพร้อมเรียกว่าเป็นศรัทธาที่ อย่างลงด้วยปัญญาเข้าถึงจิตถึงใจแล้วนี่เดี๋ยว่าบพระพุทธเจ้ามาเป็นเป็นพุทธพุทธโธ ท, ที่ใจของเราทรรอคือสภาวะความเป็นจริงที่สอนไว้เข้ามาเห็นมารู้ภายในใจของเราสังคะหมูพระสง์สาวงอผู้รู้ทรรมเห็นทรรอ แล้วก็ได้รับรสชาติของธรรมะเป็นปฏิเวทธรรมก็เป็นอยู่ที่จิตใจของเราที่รู้นี่แหละเรียกว่าปัญญาเกิดที่ใจสมาธิสัมผัสกับใจศรัทธาความเชื่อมัน่นสัมผัสกับใจศีลความสังวรสัมรวม สัมผัสกับใจจึงว่ารวมเป็นศีลสมาธิปัญญาประชุมลงที่ใจพุทโทธธมโมสังโฆประชุมลงที่ใจนี่ใจมีที่พึ่งเคยทุกข์เคยยากเคยเล่าเคยร้อนเคยวุ่นเคยวายสายแส ปุ่งรานลำคาญก็จะหมดไปเหลือแต่ธรรมชาติแห่งความรู้สภาวะทั้งหลายตามเป็นจริงแล้วไม่มีอาการที่ยึดมั่นถือมั่นเห็นผิดพอกลายเป็นความเห็นชอบเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตาม ธรรมชาติแห่งสภาวะธรรมด้วยปัญญาเเรียกว่าหมดทุกข์หมดยากใจสบายที่นี่อันนี้เรียกว่าเป็นวิธีการเป็นวิธีการเป็นการได้ยินได้ฟังในวันนี้มาฟังธรรมะมาปฏิบัติ กายใจของเราให้เป็นธรรมน่ะนะคําว่าปฏิบัติธรมรมคือให้ความรู้ความเห็นรู้เห็นในสภาวะของกายของใจที่สัมผัสสัมพันธ์อยู่กับกายกับจิตของเราเนี่ยจึงต้องมาฝึกฝนอบรมมาแต่งแต่งกายแต่งจิตแต่งกายแต่งใจอ หรือว่ามาสังวรรักษากายวาจาจจิตเนี่ยกายวาจาอันนี้มันเป็นรูปวาจานี่ก็เป็นรูปแต่เป็นรูปละเอียดสัมผัสกับหูได้อยู่ส่วนใจหรืออาการที่เป็นทุกข อาการที่เป็นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าสอนที่ท่านบอกไว้ว่าเป็นอริยสัจทุกข์เป็นอริยสัจเป็นความจริงของทุกข์อริยสัจความจริงของทุกข์ชาติปี่ทุกคาการเกิด มามีรูปร่างมีกายมีใจอาศัยกันเกิดมีสังขารความนึกคิดปรุงแต่งความจำได้ไม้ลูกนี่เรียกว่าเกิดแล้วก็เป็นทุกข์ชาติปิทุกข์ขาชราปิทุกขังความเปลี่ยนแปลงสราคํำฆ่าก็เรียกว่าอนิี้จัง ร่างกายนี่ถ้ามันค้ำค่าไปหมดเลี้ยวหมดแรงมันก็เป็นเหตุให้ปรากฏความทุกข์สัมผัสเข้าไปสู่จิตใจเพราะความค้ำค่าความชราของกายย <c oughs> ังว่าชราปิทุกขังมรณะปิทุกขังความตาย ก่อนจะตายกายจะแยกจากจิตจากใจหรือธาตุจะแยกจากกันเป็นโรคเป็นภัยหายใจเป็นทุกข์เหลือเกินแต่ก่อนไม่มีโรคภัยอะไรเราหายใจสบายหายใจมีความสดชื่นสบายเรียกว่าหายใจอิม่มแต่พอมีโรคภัยเกิดขึ้น หายใจก็เหนื่อย่ยิ่งเป็นโรคหัวใจเป็นโรคปอดหายใจเท่าไรยิ่งหายเท่าไรยิ่งเหนื่อยเท่านั้นเพราะฉะนั้นบางคนจึงเกิดความนึกความคิดความอยากขึ้นมาโอ้อยากจะตายถ้าตายคืออยากจะสิ้นลมหายใจให้มันแย่การสัมผัสสัมพันธ์กันแล้จะสบายนี่ว่าอย่างนั้น เพราะว่าขณะที่มีลมหายใจอยู่มันก็ทุกข์นี่เป็นอย่างนั้นอรมหายใจอันเดียวนี่แหละแต่ก่อนเราหายใจดีไม่มีโรคไม่มีภยัยหายใจสะดวกสบายมีความสุขเพราะการหายใจแต่พอมันเปลี่ยนแปลงการหายใจก็เป็นทุกข์นี่ความตายเป็นทุกข์ คือถ้าตายแล้วถ้าลมหายใจสิ้นสุดกายกับจิตกายกับใจแยกกันแล้วมันก็ไม่ทุกข์อะไรทุกข์ก็ไปเหลือทุกข์ในจิตทุกข์ในจิตที่เป็นสัญญาเป็นอารมณ์ละเอียดเป็นสังขารในจิตเป็นเวทนาในจิตในผู้รู้ลู่นะเนี่ยมันเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นชาติปีทุขาชรป า, าปีทุขามรำปีทุกขังโสกะความโศกความขับแค้นใจเกิดเพราะความเห็นอเพราะความเห็นผิดเพราะความเห็นผิดอเช่นเห็นว่าสิ่งที่เราได้มามีมาอสิ่งที่ว่าเราได้เราดีเนี่ยอ ความจริงมันเป็นความเกิดดับทั้งหมดเป็นความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเมื่อเห็นว่ามันไม่เปลี่ยนไม่แปลงมีมาแล้วก็อยากจะให้มันดีอยากให้มีความสุขสบายอยากให้อยู่ด้วยไม่ให้มันจากไปไหนไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงไปไหนที่เมื่อมันเปลี่ยนแปลงก็เป็นทุกข์ นี่จึงว่าความโศความคับแค้นใจความเสียใจความดีใจทุกใจมันเกิดจากความรู้ผิดความเห็นผิดถ้ารู้ถูกเห็นชอบตามความเป็นจริงความรับแค้นใจความเสียใจความไม่สบายใจอะไรก็ไม่เกิดเป็นอุเบกขาธรรม เป็นสภาวะแหง่งความรู้อยู่เป็นกลางๆของใจรู้อันนั้นก็ไม่เที่ยง<ม>อันนี้ก็ไม่เที่ยงอันนั่นก็เกิดอันนี้ก็ดับก็ไม่ไปหลงยึดว่าจะให้มันเป็นอย่างนั่นเป็นอย่างนี้ให้มันดีอย่างนั่นให้มันสุขสบายอย่างนี้ให้มีความหลงเข้าไปยึดจึงเหลือเป็นอุเบกขาธรรมคืออุเบกขาใจ <c oughs> ใจรู้อยู่เป็นกลางๆสุขก็รู้ทุ ก, ก็รู้เกิดก็รู้ดับก็รู้นะรู้ ร, รู้สักแต่ว่ารู้รู้แล้วก็วางไม่ไปมีความอยากอยากให้เป็นอย่างน้อนอย่างนี้นี่ถ้าอย่างนี้มันก็สบายเรียกว่าใจนี่ <c oughs> อยู่ในอุเบกขาธรรม อยู่ในอาการที่เป็นกลางๆวางเฉยไม่ได้สัมะยุตไม่ไปติดอยู่กับความอยากให้มีให้เป็นหรือความอยากไม่ให้มีไม่ให้เป็นนี่จึงไม่มีทุกข์สติทุกข์ขาทุกข์เพราะเกิดเพราะแก่เพราะเก็บเพราะตายเพราะความคับแค้นใจเสียใจพัดภาคจากสิ่งรักสิ่งเศร้าใจ ไม่มีเพราะความเห็นถูกเห็นชอบเห็นว่าทุกสิ่งทุกสภาวะทั้งหลายนั่นมันเป็นสิ่งที่ไม่เทียมและไม่ใช่ตัวตนเป็นเพียงสมมุติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นนี่เป็นเรื่องของความเห็นของใจเป็นเรื่องปัญญา ที่เกิดกับใจนั่นจึงจะดับทุกข์หรือว่าจึงจะทําที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบให้สิ้นสุดไปได้นี่เป็นอาการของปัญญาซึ่งเรียกว่าเป็นพระธรรมเป็นปัญญาธรรมนี่จึงว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง กำจัดทุก์กำจัดภัยได้จริงที่นี่จะให้ธรรมะเรานี่เกิดขึ้นหรือให้ธรรมะเป็นที่พึ่งของจิตของใจได้จริงจรงิเราก็ต้องทาจิตทําใจของเรานี่ให้เป็นภาชนะ ที่ลองรับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จึงว่าให้พุทธโทธธรรมโมสังโฆบรรจูเข้าที่ใจของเราเจียงว่ามีศรัทธาเชื่อในพระพุทธเจ้ามีศรัทธาความเชื่อมั่น ในการประพฤติปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามีศรัทธาเชื่อมั่นในความเป็นพระสงฆ์สาวกพ้นจากทุกข์ด้วยการประพฤติดีปฏิบัติชอบตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ในยังรวมเข้ามาวาเป็นศรัทธาเพราะฉะนั้นให้ตั้งความเชื่อมั่นที่นี้เราจะถึงการถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมพระสงฆ์ได้อย่างแท้จริ ง, งว่ามีศรัทธาเชื่อมั่นเชื่อมั่นในการประพฤติปฏิบัติจริงสละ ละวความห่วงแหนความห่วงแหนความหลงอย่างอื่นมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่เพื่อเป็นการน้อมรับ พรพุทธพระธรรมพระสงค์เข้ามาสู่กายวาจาใจของเราในส่วนที่เมื่อเราเชื่อแล้วก็ปฏิบัติตามปฏิบัติตามในส่วนหยาบแต่เป็นส่วนเบื้องต้นเมื่อเชื่อมั่น ต้องมีความระลึกถึงระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระสงฆ์อยู่ที่ใจแล้วก็สังวรประพฤติปฏิบัติความสังวรประพฤติปฏิบัติธรรมที่แท้จริงก็คือความมีสติมีความตั้งใจ ว่าพระพุทธเจ้าสำเร็จหรือว่าบรรจุลงถึงความสำเร็จแห่งความเป็นผู้รู้ตื่นเบิกบานอยู่ที่ใจสัมผัสกับใจเราและข้อปฏิบัติคือศีระสังวรว่ามีสติสังวร ไม่ทำโทษไม่ทำบาป ก, กายกรรมสามวจีกรรมสี่มนโนกรรมสามกายกรรมวจีกรรมออกไปจากมนโนกรรมออกไปจากใจเพราะฉะนั้นมีสติสังวรรู้ที่ใจที่ผู้รู้แล้วก็ให้รู้ทันจิต คือความนึกคิดธรรมดาความนึกคิดมันจะนึกคิดไปตามความหลงนึกคิดไปตามความหลงนึกคิดไปตามสิ่งที่สัมผัสกับใจที่ใจได้ไปรู้รู้เรื่องน้นเรื่องนี้ <c oughs> แล้วมันจะคิดเป็นอกุศลเดียวว่าคิดเป็นบาปมันจะคิดโกรธคิด พยาบาทอาฆาตมาาร้ายคิดเสียอกเสียใจเมื่อเสียอกเสียใจก็คิดเพื่อการประทุสรายจะแก้แค้นนี่เกิดจากความคิดถ้าหาว่าไม่รู้เท่าทันความคิดนั่นแหละเรียกว่าไม่รู้เท่าทันจิตไม่รู้เท่าทันจิตใจ แต่ใจนั่นเป็นนามธรรมเป็นเพียงอาการแห่งความรู้ไม่ได้นึกคิดอาการนึกคิดที่เกิดจากจิตจากใจนี่แหละจริงว่าอยู่ด้วยกันนั่นความคิดกับใจก็อยู่ด้วยกันใจก็อยู่กับความคิดใจก็อยู่กับสัญญาอารมณ์สัญญาอารมณ์ก็อยู่กับใจแต่มันไม่เป็นอันเดียวกันอันเป็นคนละอย่าง เพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเพื่อรู้เท่ารู้ทันใจนคือให้รู้เท่ารู้ทันความนึกคิดเพราะถ้าใจธรรมดาแล้วมันไม่นึกคิดเมื่อมันเข้าไปสู่ใจแท้ใจเดิมมันจะรู้เป็นเพียงอาการรู้ไม่มีนึกคิดถ้านึกคิดขึ้นมาเนี่ยแหละมันเป็นสมมุติแล้ว เป็นการเกิดเป็นการเกิดของใจเป็นอาการนึกคิดเกิดจากใจนี่จึงให้มีสตินี่เป็นเบื้องต้นที่ทที่มีอุปการะมากในทางปฏิบัติแล้วสติเป็นสิ่งสำคัญความตั้งใจความตั้งใจนี่แหละเป็นศรัทธา เป็นสิ่งสำคัญตั้งใจให้มั่นคงในการสังวรรู้ดูจิตของตนเองอท่านเจงให้ถ้าสังเกตดูเฉยเฉยมันจะรู้ไม่มไม่ทันท่านเจงว่าให้แพงให้บริกรรม ให้บริกรรมภาวนาหรือให้เพ่งเรียกว่าฌานะคือการเพ่งเพ่งบริกรมรมจึงให้มีความตั้งใจนึกพุทโภพุทโภหรือนึกรูลมหายใจหายใจเข้านึกรูพุทธหายใจออกนึกรูโทนี่อย่างนี้เรียกว่าให้รูความนึกคิด ให้รู้จิตถ้ามันไม่นึกพุทธโธมันไปนึกอย่างอื่นนั่นเรียกว่าเผลอให้นึกพุทธให้นึกโธไปนึกถึงความโกรธความเกลียดความเสียอกเสียใจอย่างง่อนอย่างนี้นั่นเรียกว่าควบคุมความนึกคิดให้อยู่ใน งานหรือว่าให้อยู่ในเป้าหมายไม่ได้เอวเอ่าเผลอด้วยเหตุนี้ท่านจึงให้มีอารมณ์รู้อารมณ์ระลึกเช่นในอนุสติสิบประการก็มีพุทธานุสตินึกพุโทโธพุธโทโธครูบาอาจารย์จึงสอน ท่นให้ภาวนาการสังวรด้วยการอธิษฐานหรือด้วยการสมทานที่เรียกว่าสมทานศีลหรืออธิษฐานรักษาศีลอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งมันเป็นส่วนหยาบเรียกว่าควอบคุมในส่วนหยาบที่นี่ฝึกให้ละเอียดให้สตินี่มั่นคง ด้วยการระลึกบริกรรมให้ทียิบเข้าไปเนี่ยฝึกฝึกให้มีกำลังนี่จึงต้องได้ภาวนาท่านจึงสอนวยให้ภาวนาทีแรกก็กำหนดเอาไม่มากเสียก่อนก่อนรับก่อนนอน หรือก่อนจะทําการทํางานอะไรตั้งสติกําหนดภาวนาเสก่อนเป็นการตั้งท่าตั้งทางเหมือนอย่างนักชกนักมวยเขาจะชกจะต่อยมวยด้วยลายด้วยวิชารวดลายไว้พิบของเขาเน่ยเขาจึงต้องขึ้นครูเสียก่อนยิงไหว้ครูเสีก่อน นี่ก็เหมือนกันดาวพระพุ ธ, ธ ร, รมปฏิบัติธรรมเพื่อให้พระธรรมเป็นที่พึ่งเพื่อเราจิตใจของเราเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยก็ต้องมีความตั้งใจความตั้งใจตั้งสติตั้งฐาน <c oughs> เพราะสติเป็นธรรมที่มีอุปการะสติเนี่ยเป็นความระลึกรู้ เป็นพี่เลี้ยงของกายของวาจาของจิตใจต้องมีสติถ้าหาว่าขาดสติแล้วเดินไปนี่เขาไม่ตรงไม่เข้าในเส้นทางหรือมีหลักมีต่อมีความขุขะในหนทาง ก็ไปสะดุดไปชนได้เพราะความไม่มีสตินี่เรียกว่าสติสตินี่แหละเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นการปฏิบัติให้กำหนดว่าสติ น, นี่อันหนึ่งและเป้าหมาย <c oughs> เป้าหมายหรือว่าคำบริกรรมหรือเป้าหมายที่เราจะต้องเพ่งดู เช่นว่าเพ่งดูรู้ในการรักษาศีลคือการงดเว้นจากบาปงดเว้นจาาบาปงดเว้นจากบา ป, าบาปห้าประเภทหรือว่าในจิตในกายกายกรรมสามว่ญา ก, กรรมสีมนโนกรรมสามนี่เรียก ว, วิริยากิริยาที่ให้ใจรู้ ให้ความตั้งใจให้สติรอบรู้นี่เป็นเบื้องต้นเป็นพื้นฐานเบื้องต้นจิงเรียกว่าเป็นเรื่องของสติเมื่อเราตรวจตาว่ากายเราก็ไม่ได้ทำบาปไม่ได้ทำโทษขณะนี้เดียวนี้เวลานี้กายของเราก็สงบอยู่เป็นปกติอยู่ นี่กำหนดเอาปัจจุบันไม่ได้ไปทำโทษอะไรไม่ได้ไปทำผิดทางกายปารจาก็ไม่ได้กล่าวไม่ได้พูดปิดปากเงียบนี่ปารจาไม่ได้ออกจากช่องปากของเราก็ไม่ได้เป็นสัญญาอารมณ์ที่จะให้จิตใจนี่ไป นึกไปคิดไปปรุงไปแต่งตามเดีย๋ยวว่ากายให้สงบว่จาจจสงบแล้วความระลึกรู้ก็ดูใจสิดูใจหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้พุทธหายใจออกรู้โทนี่เดีวเป็นคำวริกรรม เมื่อบริกรรมให้ชำนาญสติต่อเนื่องกันได้นั่นเรียกว่ามีผลเรียกว่าเป็นผลของความสุขความสงบจะเกิดขึ้น ใ, นใจเคยคิดปุงฟุ้งเรื่องอย่างอื่นก็จะอยู่ในในงานที่ให้นึกให้คิดว่าคิดตังนึกคิด หรือความลู้ก็จะลู้อยู่ในงานแห่งการบริกรรมพุโทโธพุโทโธดูลมเข้าลมออกถ้าไม่เป็นการสนิทกับจิตใจของเราเราภาวนาเรากำหนดไปแล้วลู่ซึว่ามันไม่มีความละเอียดเกิดขึ้น ก็เปลี่ยนเอาอตาจะปัญจกะกรรมฐานกรรมฐาน ม, มีหนังเป็นที่สุดมีผมเป็นเบื้องต้นเรียกว่าบริก ร, รมบริกรรมกำหนดรูผมขนเล็บฟันหนัง ผมขนได้ฟันหนังที่เราลู่ๆูว่าลู้ง่ายๆอยู่นี่แะแต่ทาให้มันชำนิชำนานกำหนดลู้ให้ชำนิชำนานท่านจึงบอกในปริยัติที่ทำในคำสอนว่าให้พึงกำหนดกรรมฐานห้าคือผมขนได้ฟันหนังเป็นอนุรม แล้วก็ให้เป็นปฏิโลมคือกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอทำว่าอนุโลมถ้าหากว่าเป็นน้าํามันก็ไหลไปจากที่สูงไปที่ต่ํานั่นเรียกว่าอนุโลมตามธรรมชาติของเขาส่วนปฏิโลมนี่เรียกว่าถอยกลับหรือว่าคัดเปลี่ยนอืน้ํำนี่ธรรมชาติ ไหลาจากที่สูงลงไปที่ต่ำหาวิธีให้เขาไหลาจากที่ต่ำขึ้นไปที่สูงด้วยการมีเครื่องสูบเครื่องดันน้าก็จะไหลาจากที่ต่ำขึ้นมาที่สูงได้เหมือนกันกับเหมือนกันกับน้ำในบ่ออยู่ก้นบ่อลึกๆอาศัยเครื่องสูบเครื่องโยก ดึงจากที่ต่ำให้ขึ้นมาที่สูงนี่เรียกว่าเป็นปฏิโลมนี่ก็เหมือนกันการกำหนดผมขนเล็บฟันหนังผมขนเล็บฟันหนังนี่เป็นอนุโลมที่นี่ก็ถอยกำหนดรูถอยกลับมาจากผมขนเล็บฟันหนังก็เป็นกำหนดรู หนังเล็บฟันขนผมอย่างนี้นี้กำหนดรูให้มันเป็นความจำให้เป็นสัญญาเจอก่อนให้เป็นสัญญาจำอนุโลมให้คล้องปฏิโลมคืนมาก็ให้คล่องนี่เมื่อชานานในอนุโลมปฏิโลมความรู้ความเห็นนอกๆที่เป็นอนุโลมปฏิโลม ก็จะกลายเป็นความรู้ของใจภายในใจทีนี่เลยกลายเป็นใจรู้ผมขนเล็บฟันหนังหรือหนังเล็บฟันขนผมก็เป็นใจเป็นความรู้อันเดียวทีนี่กิ่งกลายเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นผมเป็นขนไปอยู่ในใจนี่ เมื่อใจรู้ชนานาญเนี่ยก็เป็นการรู้รอบรู้รอบรู้รอบในสมมุติอันนี้เมื่อรู้รอบในสมมุติอันนี้แน่แน่แนั่นล่ะสติต่อเนื่องกันมันจึงจะเป็นได้ความระลึกรู้ต่อเนื่องกันเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติ การกระทาให้ฝึกอย่างนั้นเช่นขณะนี้เดียวนี่ก็ให้กำหนดผมขนเล็บฟันหนังฟันเล็บผมขนกลับไปกลับมาสัญญาทำสัญญาทำสัญญาให้แน่วแน่จึงจะกลืน ใจนั้นจะคืนสัญญาเข้าไปสู่ใจเป็นการรู้ความจริงในสภาวะรู้ความจริงแห่งสภาวะธรรมเข้ามาเป็นใจนี่เรียกว่าเข้าถึงใจเข้าถึงใจได้ด้วยภาวนาด้วยบริกรรมที่เมื่อมันละเอียดเข้าไปแล้วมันก็ เขาก็วางเองเขาละ่ะวางผมขนเล็บฟันหนังเข้าไปเป็นความรู้อันจินงว่าสัญญาสังขารวิญญาณอะไรไม่ได้ทำงานแล้วเข้าไปอยู่ในธาตุรู้ที่เป็นธรรมชาติของเขานี่ ถ้ารู้อันนี้แหละเป็นธาตุที่ไม่ดับไม่ดับไม่ศูนย์แต่ท่าหาว่าไม่ได้ประพฤติปฏิบัติไม่ได้ภาวนาไม่ได้เจริญสติสมาธิปัญญาให้ยิ่งแล้วความรู้ก็เรียกว่าก็รวมเอาความไม่รู้เข้าไปอยู่ในนั่นด้วย รวมเอาความไม่รู้เข้าไปฝังอยู่ในความรู้อยู่เพราะทะ่านจึงต้องแยกแยะด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรคือมาแยกสิ่งที่ว่าไม่รู้เพราะมันจะหลงมันจะหลงสัญญาสังขารวิญญาณในเมื่อมันมีสภาวะ ที่เข้ามากรมคกนกันมันจะหลงการหลงสังขารนี่แหละหลงสัญญานี่แหละเรียกว่าหลงคันห้าหลงรูปไม่รูปไม่เห็นว่ารูปนี่เป็นเพียงสภาวะแห่งการประชุมธาตุรูปแต่ว่าเป็นของเรา นี่เกิดเอามาตกข้อออกมาจาคันของแม่อะที่แรกก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้กายรู้จิตรู้แต่ความไม่สบายสัมผัสสัมผัสรูปสัมผัสจิตนั่นอะเหมือนกันกับหมอเหมือนกันกับหมอเขาวางยาชา ฉีดยาชาหรือทายาชาความรู้สึกในร่างกายของเรารับรู้รู้สึกไม่มีเ่วลาหมอผ่าตัดหรือหมอฉีดเอาเข็มแทงเข้าไปมันก็ไม่รู้สึกเก็บนี่เรียกว่าไม่สัมผัสกับทุกขเวทนาหมอเอามีดกรีดไปก็เฉยแต่ถ้าหาว่ามันหมด ฤทธิ์ของยาชาหมดฤทธิ์ของยาสรบที่คุมให้กายและจิตที่มันมันแยกกันมันไม่สัมพยุตกันมันจะไม่เก็บหมอผ่าตัดหมอเยบ็บหมออะไรก็ไม่เก็บแต่พอมันหมดฤทธิ์ยาเหล่านั้นน่ะมันจะรู้สึกเก็บนี่ก็เหมือนกันมีเวลาจิตหรือว่าใจของเราเนี่ย <c oughs> มันมาสัมผัสกับขันห้ากับสัญญาขันกับสังขาร ข, ขันกับเวทนาขันมันจะมารู่สื่อว่าเราเก็บตรงนั้นเราปวดตรงนี้มีทุกต์ตรงน้นตรงนี่เนี่ยเรียกว่าทุกทั้งหลายสุขหรือทุกทั้งหลายเรียว่า มันสุกมันทุกเพราะขันห้าที่ทำงานร่วมกันสุกทุกเพราะสัญญาสังขารเวทนาสัมปยุตกันในจชิงว่ามันยังมีเชื่อยังมีเชื่อรวมเข้าไปในผู้ลู้ในธาตุลู้นั่นอยู่ถ้าเพียงแต่ว่า ฝึกฝนหรือบริกรรมให้จิตรวมตัวเข้าไปมันไม่เสร็จมันไม่เสร็จมันไม่สิ้นเดี๋ยวเวลามันออกมาสัมะยุตกันแหะมันก็จะหลงสุขหลงทุกข์มันจะปรุงจะแต่งหลงความนึกความคิดความปรุงความแต่งนีจึงต้องมาใช้ปัญญา ใปัญญาใช้ปัญญาคือการเพียนเพ่งวินิจฉัยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงมีว่าศีลสมาธิปัญญามันเป็นอาการเป็นอาการของขันห้าทั้งนั้นนหะิงว่าส่วนยามันเกี่ยวกับกาย จึงว่ากายวาจาที่ส่วนละเอียดเข้าไปสิ่งที่เกี่ยวกับจิตใจเฉพาะมันเป็นนามธรรมเรว่าเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันวิญญาณขันนี่ก็ไม่ทุกความรับรู้ความรับรู้สิ่งต่างๆที่สัมผัส ทีกระทบอันนี้ก็ไม่เป็นทุกข์อินญาณขันเนี่ยให้เป็นทุกข์รูปประขันก็ไม่เป็นทุกข์ขันคือรูปรูปะคันก็ไม่เป็นทุกข์เวทนาขันก็ไม่เป็นทุกข์สัญญาขันก็ไม่เป็นทุกข์ที่เป็น tudo. ทุกข์ทุกข์เพราะสังขารละขัน ที่นี่อาการแห่งความปรุงแต่งเรีว่าปรุงเป็นสุขปรุงเป็นทุกข์ปรุงด้วยความหลงปรุงด้วยความไม่รู้ตามเป็นจริงเพราะฉะนั้นจึงต้องมาเข้าขั้นเจริญปัญญาณรว่าวิปัสสนาที่พวกเราประพฤติปฏิบัติปฏิบัติศีลสมาธิ ปัญญาเรียกว่าปัญญาเรียกว่าวิปัสนาปฏิบัติในขั้นสมาธิกิตตั้งมั่นรวมมีสติต่อเนื่องในการบริกรรมบริกรรมยี่สิบนาทีสามสิบนาทีชั่วโมงสองชั่วโมงจนเป็นความตั้งมั่น ทุกลมหายใจอย่างการนึกการบริกรรมกรรมฐานห้าเหมือนกันหรือการระลึกถึงความตายเรียกว่าอาการที่จะให้ความมั่นคงของใจตั้งมั่นในอารมณ์แห่ง ธรรมะอารมณ์แห่งการมริกรรมพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติตายคตานุสติหรือมรณานุสติกําหนดเอาความตายเรากลัวความตายถ้ามันกลัวความตายความเก็บความปวดอะไรเกิดขึ้นเรให้กําหนด เอาความตายเอาความเจ็บความปวดที่เรียกว่าทุกข์เป็นเป้าหมายแห่งการเพ่งการบริกรรมบริกรรมตายตายตายตายตายตายอำนาจลู่ตายเอามันเจ็บมันปวดจะตายตายจะตายแต่ให้มันตายตายตายลงไปเรียกว่ายกให้ตายไปเลยยกให้ตายเมื่อมันเจ็บมันปวดขึ้นอย่างเวลาเรานั่ง สมาธิภาวนาหรือเราไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาเราเกิดเจ็บป่วยเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมานทุกมันก็จะรวมตัวในในขณะนั้นนหะในขณะที่เปลี่ยนอิเดียบทไม่ได้หรือแม้แต่เปลี่ยนได้เปลี่ยนแล้วมันก็ยังทุกอยู่เช่นอ่าความทุกถ้ามันทุกหมดในร่างกายของเรา เรานอนอยู่มันก็ทุกข์เรานั่งก็ทุกข์เราเดินก็ทุกข์เรากินเราพูดอะไรมันก็ทุกข์เก็บ ป, ปวดอยู่อย่างงั้นนี่ถ้าทุกข์ประเภทนี้เกิดขึ้นถ้าหากว่าไม่มีไม่มีสมาธิธรรมจิตไม่มีสมาธิสติสมาธิธรรมไม่มีปัญญาธรรมแลว มันก็จะไม่รู้ทุกตามเป็นจริงมันก็จะไม่วางเนี่ยมันจะมีอุปทานเข้าไปยึดไปถืออยู่ยิ่งยึดยิ่งถือมันก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์ขึ้นเพราะฉะนั้นท่านยึงให้ภาวนาดูความทุกข์นี่ให้มันรู้ให้รู้ความจริงตั้งแต่ขณะที่มันยังไม่มียังไม่เกิดขึ้น หรือมันเกิดขึ้นแล้วก็ดูท่านจึงว่าทุกควรกำหนดรู้ในวิธีปฏิบัติปฏิบัติธรรมปฏิบัติเพื่อให้รู้ทุกจึงรวมสติรวมสมาธิรวมปัญญาทุ่มเข้าไปในการกำหนดรู้ทุกเมื่อมัน รวมตัวเข้าแน่วแน่จนจิตของเราเป็นสมาธิมันก็เลยรวมเข้าไปสู่ความเป็นหนึ่งของจิตของใจถ้ามันลงเข้าสู่ความเป็นหนึ่งของใจมันไม่ปรากฏทุกเหล่านี้ทุกเวทนาทุกกายหรือทุกจิตจึงเรียกว่าเป็นคันเนี่ย อันจะไม่มีอันจะ ม, มีแต่ความรู้สุขสบายหรือว่ารู้แ น, แน่วแน่อันเป็นผลยังไงเมื่อเพียนแพ่จนมันแยกจนมันเห็นทุกข์เห็นกิตเห็นใจที่ว่าทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้ก็เพราะกิจนึกคิด มันเลยความนึกความคิดเข้าไ ป, ไปเปลี่ยนแต่ธรรมชาติรู้ก็เรียกว่ารู้ว่างวางเฉยนั่นเป็นธรรมชาติของใจนี่แหละการปฏิบัติฝึกสติให้ต่อเนื่องกันมันไม่ใช่เป็นการ อยู่เฉยๆไม่ใช่เป็นการทำใจให้ว่างอยู่เฉยๆในเบื้องต้นมันต้องฝึกความระลึกลู้ความตั้งใจฝึกศรัทธานี่ให้เชื่อมั่นยอมเป็นยอมตาย <c oughs> ด้วยการลู้อยู่สิ่งเดียวหรือบริกรรมรละลึกรู้อยู่สิ่งเดียวซะก่อนเมื่อทำให้มากเรกว่า เพียนศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะเป็นพละกำลังกำลังของธรรมห้าอย่างเนี่ยมีกำลังเชื่อมัน่นศรัทธาเชื่อมัน่นเพียนไม่ถอน ไม่ถอนเวลาเรานั่งภาวนาพุโทโธพุธโทโธอยู่มันทุกข์มันเจ็บมันปวดเลยก็ไม่ถอนไม่ถอนไม่หยุดไม่ถอนสติจากการกำหนดรูหรือจากการโมลิกรรมอย่ามีความเพียรมีความระลึกรู้ในงานที่ให้ระลึกนั่นเอง แล้วก็เมื่อมีความเพียรมีศรัทธาต่อเนื่องมั่นคงมันก็ตั้งมั่นแต่ ว, ว่าสมาธิคือความมั่นคงของใจมันเป็นอาการ น, นหนึ่งแหละมันไม่ใช่ใจแหละใจมันมีแต่รู้รู้เฉยๆแหละอาการที่ว่าสมาธิที่ว่าสติที่ว่าปัญญาเนี่ย มันเป็นอาการเกิดขึ้นจากการฝึกการหัดเกิดจากใจมีใจเป็นผู้รู้คนเดียวอย่างอื่นไม่รู้ด้วยนี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่เมื่อมันละเอียดเข้าไปถึงความตั้งมั่นสมาธิก็มีที่สุดของเขานี่ย <c oughs> จิตสงบตั้งมั่นไม่ได้ ปรุงแต่งอะไรไม่ได้หลงกับการปรุงแต่งอะไรแต่ว่ามันไม่มันยังไม่เป็นความละเอียดเพราะนั้นจึงทำให้มากจเจริญให้มากเนี่ยเส้นทางที่จะทำให้เกิดบุญเกิดกุศลคือเกิดความสุขอันแท้จริงนั่นแหละค ว, ว่าบุญบุญก็คือความสุข บุญธรรมดาเนี่ยก็เป็นความสุขธรรมดาบุญนั้นแท้จริงคือความสุขที่เป็นอมตะความสุขที่ไม่แปรผันนั่นจะเข้าถึงได้หรือว่าจะเกิดมีได้ด้วยวิปัสสนาด้วยปัญญาด้วยภาวนาศีล ส, สมาธิเป็นกำลังส่วนหนึ่ง ปัญญาเนี่ยวิปัสนาเนี่ยเป็นการที่จะทำความรู้ความเห็นหรือว่าสมาธิปัญญาเห็นชอบความรู้ตรงรู้ชอบอย่างเดียวเท่า น, นั้นแหละทุกทั้งหลายทั้งพวงสิ้นสุดไปเพราะท่านจึงต้องภาวนาจึงต้องพิจารณา นี่ว่าพิจารณาธรรมพิจารณาธรรมกับพิจารณาในขันห้านี่แหละหรือรวมเข้ามาให้น้อยเหลือน้อยเข้ามาพิจารณากายพิจารณาจิตของเราพิจารณากายของเราพิจารณาจิตของเรานี่ว่าพิจารณากายในกายพิจารณากายในกายของเราไม่ส่งเป็นสัญญาลมไปพิจารณากายของคนอื่นสัตว์อื่น เดี๋ยพิจนากายในกายพิจารณาจิตในจิตพิจนาความนึกคิดนี่แหละที่มันแยกออกไปเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณอะไรเนี่ยออกไปจากความนึกคิดเนี่แหละแยกออก็ความนึกคิดนี่ก็ออกมาจากความรู้คือใจเนี่ยพิจารณาจนกลัวมันจะเห็นละเอียดเข้าไปแบบ มันไม่นึกไม่คิดเลยมันจะเป็นธรรมชาติรู้เป็นธรรมชาติใจนี่ต้องใช้ปัญญาเรียกว่าใช้วิปัสสนาการค้นคิดนิดพิจารณาให้ เ, เข้าใจความเกิดความดับไล่ไปตั้งแต่ที่แรกมันว่าเป็นตัวตน เป็นสัตว์เป็นบุคคลนี่แหะไล่กันเข้าไปพิจาณากันเข้าไปจนมันเห็นลงว่าเป็นธาตุสับเพียงจะเป็นธาตุดินน้ำลมไฟยินาาเข้าไปจนมันยอมรับเข้าไปสู่ความเป็นสุญญาตาธรรมคือมันไม่มีอะไรเป็นตัวตนนั่นแหละคําว่าศูนย์ สุญญาตาความไม่มีตัวตนไม่ใช่ว่าศูนย์จากความรู้ความรู้นะ่ะมันมีอยู่แต่ความรู้ไม่เป็นตัวตนไม่มีความหลงเป็นตัวตนเมื่อมันลงถึงอันนั้นเรียวมันเห็นอันนี้จังทุกขังประชุมลงสู่ความเป็นอนัตตาเป็นเพียงสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป หรือว่าเป็นเพียงสมมุติถ้าเห็นเป็นเพียงสมมุติมันก็เป็นวีมุตหรือเป็นการพ้นจากความหลงในสมมุติแ้วมันก็ไม่มีอะไรที่ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีกิเลสไม่มีโลคไม่มีโกรธไม่มีหลงไม่มีอะไรเป็นอะไร ผู้ร่างกายนี่ก็รู้แล้วว่ามันเป็นเพียงการรวมกันของาธถาตุธาตุนั่นก็เป็นเพียงสมมติ tte. ถ้าไม่สมมติเขาก็ไม่มีอะไรเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรดินไม่ได้เป็นอะไรน้ำไม่ได้เป็นอะไรลมไม่ได้เป็นอะไรไฟไม่ได้เป็นอะไรอากาศธาตุไม่ได้เป็นอะไรวิญญาณาธาตุก็ไม่ได้เป็นอะไรถ้าไม่มีสมมุติถึงว่าไม่มีอะไร ไม่มีสูงไม่มีต่ำไม่มีขึ้นไม่มีลงเป็นกลางๆอยู่คือความไม่เป็นอะไรของเขาที่เป็นโน่นเป็นนี่เป็นพอสมมติเหมือนอย่างศาลาหลังนี่ที่เรานั่งคือว่ารูปร่างกายของเราถ้าไม่สมมุติว่าเป็นผมคนเล็บฟันหนัง อันก็ไม่เป็นอะไรหรือไม่สมมุติว่าเป็นหญิงเป็นชายเขาก็ไม่เป็นอะไรนี่นเป็นนั่นเป็นนี่พอสมมติทำที่สุดแห่งทุกได้เพราะรู้สมมุติตามเป็นกิ่งพิกสมมุติเป็นวิมุติคือรู้ความกิ่งของสมมุติก็ไม่มีอะไร นี่ปัญญาหรือวิปัสนาทำหน้าที่ทำหน้าที่เมื่อทำหน้าที่ของเขาเสร็จสิ้นแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรอีกละเหมือนกันกับเครื่องมื อ, อการพิจารณาธรรมเนี่ยเหมือน ก, นกันกับเครื่องมือ เหมือนกันกับมีดกับขวานกับเลื่อยกับกบที่จะต้องตัดต้นไม้มาถากมาใสททำเป็นเสาบ้านเสาเรียนต้องอาศัยเครื่องมือคือมีดขวานเลื่อยกบเราเนี่ยมาตัดมาถากมาฟันมา เรามาขัดนี่เมื่อเสร็จแล้วเป็นต้นเสาสมบูรณ์แล้วคือเสามันก็เป็นเสาสมบูรณ์เครื่องมือเ่านั่นเขาก็เป็นของเขาอยู่เขาไม่ได้มาทำหน้าที่อะไรอีกอันนี้เ็เหมือนกันสติปัญญาสัทธาความเพียรที่เป็นธรรมะเรานำมา หากมาฟันมาขัดมาเกากิเลสอาสวะคือความหลงความหลงอย่างเดียวนั่นแหละมันเป็นกิเลสหลายๆอย่างคือความไม่รู้น่นรวมเข้ามาเลยก็เดียวความไม่รู้ความไม่มีสติปัญญานั่นนั่นเป็นโมหะเป็นความมืดเป็นอวิชชาก็อยู่ที่ใจที่นี่เรามาฝึกมาสร้างเครื่องมื อ, อม คือศีลสติสมาธิปัญญาณก็เกิดมาจากใจเนี่ยแล้วก็มาขัดมาเกามาสับมาฟันมาถากมาใสามาลาบมายำสิ่งที่มันแฝงอยู่เนี่ยจนเห็นรูและเอียดแล้วคือท้าใจของเรา ไม่มีอะไรเป็นมนทินสติปัญญาใชา้เสร็จแล้วทำงานเสร็จแล้วทำงานฆ่ากิเลสหรือลบร่างความหลงด้วยการทำปัญญาให้แจ้งขึ้นมาแล้วปัญญาที่ทำให้แจ้งแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาได้แจ้งแล้วได้รู้แล้วได้เข้าใจแล้ว และที่ผู้รับรู้ว่ามีสุขมีทุกข์มีกิเลสหรือมีความลู้ความหลงเขาก็รู้แล้วรู้ตามเป็นจริงแล้วเพราะฉะนั้นความหลงเขาก็เป็นสภาพของเขาไปความรู้ก็เป็นสภาพแห่งความรู้ซึ่งรู้และหลงอาศัยใจเป็นสนาม สายใจเป็นที่เกิดใจก็รู้ว่าเป็นใจแล้วสิ่งจะเป็นถ้าศึกต่อใจทั้งหลายก็รู้ว่าได้ทำลายลงไปแล้วด้วยสติปัญญาสธาความเพียรด้วยความรู้อันชอบแล้วเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งฝ่ายที่เป็น หินธรรมมัช <c oughs> ิมธรรมปานิตะธรรมก็เป็นความจริงของเขาผู้ที่รู้สุขรู้ทุกข์ก็ไม่มีความหลงยึดเอาสุขเอาทุกข์มาเป็นตัวตนจึงว่าเหลือแต่ธรรมชาติรู้ที่เป็นอิสระจึงว่าใจเป็นอิสระจากความหลงทั้งหลายทั้งปวง ไ ม, ไม่หนักไม่หน่วงไม่ง่วงไม่เงาไม่สุขไม่ทุกข์นี่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์เป็นที่พึ่งของเราได้อย่างนี้เป็นที่พึ่งของจิตของใจเพราะฉะนั้นการที่เข้าถึงพระพุทธพรธรรมพระสงค์ หรือได้มีศรัทธาความเชื่อความเรื่อมใส่เชื่อมั่นว่าการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้เป็นไปในทางที่ชอบเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นการปฏิบัติที่จะทําให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์หรือว่ายกจิตยกใจออกจากทุกข์หรือรบร่างความทุกข์ที่มันมีอยู่ใน กิดในใจนี้ให้สิ้นสุดลงไปได้ด้วยมัชฌิมาปฏิปาทาคือการเจริญทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญานี่เท่านี้ที่จะได้เจอของเดียนวิเศษเจอความสุขอันปาปราศจากทุกขันเรียก ว, ว่าความสุขที่ไม่เจือปนโดยทุกข คือความสุขที่ได้รู้สุขรู้ทุกตามเป็นจริงนั่นแหละแล้วก็ปล่อยวางว่างจากอุปทานคาว่าอุปทานไม่มีจึงว่าว่างว่างจากความเข้าไปยึดไปถือไปรู้ผิดเห็นผิดรู้ชอบเห็นชอบรวมลงเป็น ตาแห่งปัญญาเป็นตาแห่งปัญญาจะคุ้งอุดปาริญาณังอุดาปาริปัญญาอุดปาริวิชาอุดาปารินีแต่สิ่งที่เป็นความบริสุทธิ์วิชาความรู้ความเห็นหรือว่าเส้นทางประพฤติปฏิบัติก็เป็นเส้นทางที่จะนำไปสู่ความบริสุทธิ์ เป็นเส้นทางที่จะเดินเข้าไปสู่ความอิม่ม เ, เมื่ออิ่มแล้วก็เรียกว่าทุกสภาวะทั้งหลายนะไม่จำเป็นกับจิตใจของเราแล้วเพราะจิตใจของเรานี่อิ่มในธรรมเต็มที่แล้วรู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจในธรรมนี่มีเท่านี้เพราะท่านว่าเบื้องต้น ที่เราสมทานศีลพอปฏิบัติในเบื้องตน้นท่านจึงว่าให้รู้กายรู้วาจารู้จิตเพราะจิตเป็นความนึกความคิดให้รู้ความนึกความคิดคิดเป็นกุศลหรืออกุศลถ้าคิดเป็นอกุศลก็ให้รีบทวนกระแสด้วยการเปลี่ยนความคิด เียว่าเปลี่ยนเส้นทางเดินเส้นทางเดินของความคิดให้คิดในเส้นทางที่เป็นกุศลเป็นความดีเป็นความสุขนี่ระวังความคิดท่านจึงว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดให้ปฏิบั ต, ติต่อความคิดของตนเองให้รู้เท่าทันความนึกคิดนี่เราให้นึกพุโทโธพุธโทโธ พุทโธ ร, รูหายใจเข้ารูพุทหายใจเอารูพโทเดี๋ยวมันไปคิดเรื่องอย่างอื่นกรทวนกระแสกลับเข้ามาให้มันคิดพุทโธพุทโธคือฝึกซ้อมให้มันชำนิชำนาญฝึกซ้อมจนให้มันเป็นพุทโธแล้วพุทโธกับใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่นี่มันไม่เป็นพิษเป็นภยัยเราไปนึกไปคิดคือมันจะไม่ไปนึกไปคิดเลยใน ความนึกความคิดที่เป็นอกุศลมันจะเห็นโทษมันก็จะไม่เอามาเล่นเหมือนกันกับเด็กลูไฟที่แรกมันเห็นไฟเป็นของเล่นแจะปล่อยให้มันจับซะสักสองข้งสามข้งมันก็รู้โทษของมันมันก็เข็ดมันก็รู้ว่านั่นเป็นไฟถ้าจับแล้วมันร้อนมันไหมมันร้อนมันไหมมันแสบมันปวดมันทุก ทีนี่มันไม่จับเลยนี่เมื่อมันรู้เรื่องแล้วอรู้เรื่องว่าไฟเป็นของร้อนนี่ก็เหมือนกันเรื่องจิตออเรื่องสัญญาสังขารที่มันเกิดกับจิตใจนี่อแล้วมันเห็นโทษของความนึกความคิดแล้วมันไม่นึกไม่คิดอมันก็จะนึกคิดแต่สิ่งที่จะให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขนั่นแหละเพราะฉะนั้นมัน เมื่อเราทีแรกเนี่ยเราบริกรรมนึกพุโทโธพุธโทโธมันจะไม่อยากนึกดอกว่ามันนึกเข้านึกเข้ามันรู้เห็นคุณเห็นประโยชน์เห็นความเยือกเย็นเห็นความเบาความสบายเกิดจากการนึกพุโทโธพุธโทโธทีนี้มันก็นึกของมันเองแ่ะทมันก็นึกของมันเองเนี่ยนึกเข้าไปจริงๆแล้วอมันก็มีความสุขความสุข ที่นี่ถ้ามันไปติดความสุขจากการนึกอยู่แค่นั่นนั่นะท่านจึงว่าให้เปลี่ยนที่นี่จึงว่าให้ภาวนาให้พินิษพิจรารณาที่นี่ออกเดินทางปัญญาปัญญาให้เกิดปัญญาได้ยินอะไรให้ได้ยินด้วยความมีปัญญารูความเกิดความดับของสิ่งที่ได้ยินเห็นอะไรก็ให้มีปัญญารู เข้าใจว่ามันเป็นความเกิดความดับมันไม่ได้เที่ยงนี่เรียกว่าฝึกปัญญาฝึกกิดให้มีปัญญาเห็นให้มีให้ได้ปัญญาให้ได้ให้ได้ประโยชน์ได้ยินให้ได้ประโยชน์สูดกินให้ได้ประโยชน์ริมรสให้ได้ประโยชน์ในทางความสุขในทางธรรมถูกต้องเย็นล่อนอ่อนแฉง เช่นอย่างเรานั่งอยู่อากาศมันร้อนร้อนร้อนถ้าเราไปกังวลว่ามันร้อนมันร้อนเราไปว่าตัวเราร้อนอากาศร้อนมันก็จะเป็นทุกข์เพิ่มขึ้นอีกที่นี่ให้ได้ประโยชน์แห่งความร้อนแห่งทุกข์ที่สัมผัสนั่นจึงมาพิจารณาแยกแยะใครเป็นผู้ร้อนความร้อนหรือมันว่ามันร้อนหรือเนื้อหนังร่างกายเราว่ามันร้อน หรือใจเราว่ามันร้อนใจก็ไม่ได้ว่ามันร้อนอืเพราะใจมันเพียงลู่เฉยๆมันไม่ได้ว่าอไอความหลงนั่นแหละจึงเป็นสังขารเข้าไปเพ่งอว่าเราร่อนเราล่อ น, อนยิ่งเพ่งยิ่งว่าก็ยิ่งร้อนยิ่งทุกข์ถ้ามาเข้าใจแยกแยะออย่างนี้แล้วใจของเราก็จะเป็นปกติแห่งความลูอืม ความร้อนที่มีอยู่นั่นก็ถึงแม้มันจะมีอยู่มันก็ไม่ร้อนที่ใจของเราเพราะใจเราไม่ร้อนนี่เรียกว่าทวนกระแสด้วยปัญญาเปลี่ยนเปลี่ยนจากอากุศลให้เป็นกุศลเมื่อเป็นกุศลแล้วก็ต้องปล่อยวางอีกก็ต้องเปลี่ยนอีก เรียกว่าไม่ยึดไม่หลงทั้งบาปทั้งบุญไม่หลงทั้งดีทั้งชั่วเรว่าเอาเป็นกลางๆเข้าไปอยู่ในความเป็นกลางท่านจึงว่าทำกิตให้ว่างเข้าถึงความเป็นกลางท่านจึงเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาทำที่สุขแห่งทุกข์ได้ด้วย มัชฌิมาปฏิปทาคือจิตของเราอยู่กลางๆไม่หลงในสุขในทุกขไม่หลงในบุญในบาปไม่หลงในดีในชั่วไม่หลงในกายในจิตรู้เป็นเพียงสภาวะของกายของจิตของสมมุติบัญญัติเนี่ยปัญญาถ้ามันเดินเดินเดินการพิจารณาเนี่ย เรายกสมมุติหละขึ้นครั้งแรกยกสมมุติยกคําว่าตัวตนของเราเนี่แหละขึ้นมาตั้งแล้วก็มาพิจารณามาแยกแยะอันนี้เขาเป็นเนื้ออันนี้ก็เป็นหนังอันนี้เขาเป็นผมเป็นเส้นเป็นเอ็นเป็นกระดูกแยกกันไปเรื่อยสุดท้ายมันก็ลงไปเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟแยกออกไป สุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสมมุติเมื่อรู้ไม่หลงในสมมุติเท่านั้นแหละอย่งว่ามันไม่มีอะไรอมันไม่มีสุขไม่มีทุกข์นี่ปัญญาเมื่อมันได้เงื่อนมันก็จะเดินในการพิจารณาขันห้าเนี่ยพิจารณากายพิจารณาจิตนี่แหละ หรือพิจารณาทุกข์ที่มันเกิดขึ้นที่จิตใจของเราไปสัมปยุตเช่นเวลาเราเจ็บเราป่วยเก็บไข้เป็นโรคนั่นโรคนี่เนี่ยออต้องดูด้วยสมาธิด้วยปัญญาออยู่ด้วยสมาธิหรืออยู่ด้วยสมาธินั่นมันจะสงบมันจะไม่ทุกข์อยู่ชั่วขณะแต่ถ้ามันออกมาสัมผัสสัมพันธ์กันเนี่ย มันจะเป็นทุกข์อีกเพราะฉะนั้นจึงต้องถอนทุกข์เหล่านี่ด้วยปัญญาด้วยปัญญาด้วยการพิจารณานี่แหละพิจารณาสมมุตินี่แหละก่อนเมื่อมันไล่กันไปมันรู้เข้าใจตามความเป็นจริงและมันก็ไม่มีสมมุติไม่มีบัญญัติอืนนี่เรียกว่ามันว่างมันว่างจากสมมุตินั่นเรียกว่าจิตอยู่ กลางๆหรือว่าเป็นมัชิมามัชิมาธรรมใจอยู่เป็นกลางๆคือใจเป็นใจอยู่เฉพาะใจในี่การประพุตธธรรมปฏิบัติธรรมะมีเท่านี้แหละถึงว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นที่พึ่งอันแท้จริงได้ส่วนว่าเราเกิดมาแล้ว ในโลกนี่มันมีปัจจัยสี่เป็นเครื่องอาศัยปัจจัยสี่ปัจจัยเครื่องอาศัยนั่นมันเป็นเครื่องอาศัยของรูปของกายของขันธ์ห้าเท่า น, นั้นแหละส่วนธรรมะปฏิบัติสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมเนี่ยเป็นที่พึ่งของใจโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเกิดมาแล้วมีทุก ทุกเกิดทุกแก่ทุกเก็บทุกตายจะทําให้เข้าใจทุกเกิดแก่เก็บตายก็มีแต่ภาวนาเท่านั้นแหละมีแต่การปฏิบัติจเจริญสติสมาธิปัญญาเท่านั้นจึงจะทําให้สงบระงับทุกเกิดแก่เก็บตายได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรฝึก ฝึกใจฝึกกายฝึ ก, กจิตของเรา <c oughs> ด้วยอุบายที่เป็นธรรมะที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทาให้จริงปฏิบัติให้จริงมีความเชื่อมัน่นลงจริงๆเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จริงๆริงด้วยความรู้ความเห็นด้วยปัญญาของตน อันชอบนั่นแหละจึงจะไม่มีทุกข์จึงจะไม่เกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่มีอะไรแก่ไม่มีเก็บไม่มีตายไม่มีอะไรทุกข์ไม่มีความหลงในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่มีอะไรทุกข์ ที่เป็นทุกข์พอมันหลงมาลู้ตามเป็นจริงก็าได้ชื่อว่าสลัดตัดความกังวลตัดอุปทานทุกข์ก็ไม่มี <c oughs> นี่ธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าเมื่อประพฤติตามปฏิบัติตามนี่มาตั้งแต่เบื้องต้นนั่นแหละ มาตั้งแต่ทานมาแต่ทานประพฤติปฏิบัติศีลสังวรนั่นแหละกับภาวนาจเจริญให้มากทำให้มากคือการทำสติรู้ปัจจุบันรู้ปัจจุบันนี่ว่าภาวนารู้กายรู้จิตรู้สุขรู้ทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายกับจิตอย่างมันถึงจะแยกกันได้ เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วแต่ว่าอุบายในการฝึกทำความรู้ให้เกิดความรู้มันเกิดมีความรู้มีปัญญาเสียก่อนความหลงมันมันจึงจะหมดอำนาจไปถ้าไม่ทำความรู้ไม่ทำปัญญาไม่ทำสติ ไห้ละลึกชอบไว้แล้วในความหลงมั น, ม, นมันไม่หายไปดอกที่นี่มันขี้เกียจมันขี้เกียจมานกิเลสมานกิเลสมาลนั่นแหะมันไม่อยากให้ทำ ม, มันไม่อยากให้ตั้งสติมันไม่อยากให้ภาวนามันไม่อยากให้กำหนดรู ตัวเองมันจะไปให้รู้แต่เรื่องอื่นศึกษาวิชาความรู้แต่เรื่องข้างนอกไปเรื่อยๆ เ, เพราะว่าถ้ามาลู้ตัวเองมันจะหมดหนทางของกิเลสมันจะหมดหนทางหาอยู่หากินของอาวิชาตัณหาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วมันไม่อยากทำก็ทำ ไม่อยากปฏิบัติไม่อยากตั้งสติไม่อยากภาวนาก็ต้องฝืนทำฝึกทำบ่อยๆเข้าบ่อยๆเมื่อมันเห็นผลเมื่อมันได้รับรสชาติจากการประพฤติปฏิบัติให้สมาธิสัมผัสใจปัญญาสัมผัสใจแหละที่นี่ก็ไม่ต้องบังคับมันแหละอ่าันก็จะไปเองของมัน นี่ในเบื้องต้นนี่ให้มีความเชื่อความเลื่อมใสให้ฝึกฝืนเสียก่อนเนี่ยมันทำอย่างนี้ได้รปราะพฤธรทมปฏิบัติธรรมเพื่อทำที่สุดแห่งทุกเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องไปเรียนไปรูปต้องไปทำอะไรอย่างอื่นเหมือนเราทำ ของเล่นของอาศัยในโลกมีวิชาความรู้ฝึกสร้างเครื่องอาศัยเครื่องกลเครื่องยนต์สร้างรถสร้างลาสร้างเรือบอกเรือบินเรือดำน้าอะไรนั่นนมันเป็นมันเป็นสมมติอยู่ในโลกนี่แหละมันไม่จบไม่สิ้นกันหรอกมันไม่ทำให้พ้นทุกข์ อย่างแท้จริงได้ที่จะทําให้คนทุกอย่างแท้จริงต้องมาเอาชนะความขี้เกียจขี้ข้านเอาชนะความหลงผิดเห็นผิดนี่แหละด้วยการภาวนามันไม่อยากตั้งสติตั้งกําหนดลงสู่จิตสู่ใจมันไม่อยากบริกรรมดูลมหายใจเข้าหายใจออกเราบังคับให้มัน รู้นี่เรียกว่าฝึกสติฝึกไปฝึกมามันกล้าเลยที่มันก็ไม่ได้ฝึกมันอ่ะมันก็ไปของเขาเองนี่ว่าเมื่อทำคือสติทำรรกล้าปัญญาทำรรกล้าขึ้นมาแล้วมันก็ไปลบล้างความที่เกียดขี้ค้านความไม่รู้มันก็หายไปเองละเมื่อความรู้มันเกิดขึ้นแล้วนี่ให้มันฝึกหัดปฏิบัต จเจริญศีลแล้วก็จเจริญอยู่แล้วล่ะก็ปฏิบัติกันอยู่แล้วทานน่นแล้วก็ทากันอยู่แล้วลส่วนภาวนาเนี่แหละวิปัสนาสติปัญญานี่้ทาให้มากจเจริญให้มากจะเป็นไปเพื่อความรู้จริงเห็นจริงในธรรมจะเป็นไปเพื่อความดับสนิทแห่งทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงโดย สิ้นเชิงได้นี <c> ่ <oughs> ได้พูดธรรมะแนะนำเป็นการแนะนำาะไม่ใช่เป็นการทำให้แนะนำอุบายเรียกว่าบอกเส้นทางบอกอุบายถึงแม้เราจะรู้อยู่แล้วก็ให้รู้เข้าไปถึงการประพฤติปฏิบัตินี่ถ้าทำจริงปฏิบัติจริงแหละรับรองเรียกว่าเป็นพยาน รับรองว่าทาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของจริงหรือผู้ประพฤติปฏิบัติทำจริงก็จะเป็นปัจจตังเวทิตโภวินญุหิคือจะรู้เห็นจำเพาะตนได้นี่การประพฤติปฏิบัติเรียกว่าเรื่องปัญญาเนี่ยเมื่อมันรู้มันเห็นมันก็เป็นเฉพาะตน มันไม่ว่าไปทําให้จิตใจของผู้ที่ยังไม่รู้ไม่เห็นเห็นไปด้วยไม่ใช่จะต้องทําเองจึงจะรู้เองเห็นเองเนี่ยความจริงแห่งพระธรรมจะรวมเข้ามาที่นี่แต่ว่าที่เราฝึกฝนอบรมเราได้ยินได้ฟังอาศัยการได้ยินได้ฟังให้เป็นกำลังใจเพราะฉะนั้นจึงอาศัยการฟัง สายการอบรมธรรมปฏิบัติเมื่อเรามุ่งมั่นทรรมจริงปฏิบัติจริงก็จะสัมผัสกับสติอันแท้จริงสมาธิอันแท้จริงปั ญ, ญญาอันาแท้จริงสัมผัสกับใจแล้วก็ขัดเกลาความลุ่มหลงทั้งหลาย ดับสิ้นสุดไปจากกิจใจเหลือแต่แสงสว่างแห่งปัญญาธรรมที่ว่าสว่างโล่ทั้งกลางวันและกลางคืนคำว่าสว่างโล่ก็สว่างในใจก็ใจนั่นะเป็นผู้รู้ว่ามันสว่างโล่มันไม่มีความมืดไม่มีความมืดไม่มีความทุกข์ก็ใจนั่นแหะ รู้เห็นไม่ใช่อยู่ที่อื่นเนี่ยเมื่อได้ยินได้ฟังหรือได้ประพฤติปฏิบัติมาแล้วก็ให้ทําให้มากให้ขยันขึ้นให้มากๆเคยทําแล้วเคยปฏิบัติได้สิบนาทียี่สิบนาทีชั่วโมงสองชั่วโมงก็ขยันเข้ามากมากให้มันเป็นปัจจุบัน เรียกว่าให้มันเป็นอากาลิโกปราศจากการเวลาอันจึงว่าเป็นหนึ่งเข้าสู่ความเป็นหนึ่งของธรรมเข้าสู่ความเป็นหนึ่งของจิตของใจของความรู้ไม่มีการเวลาดอกทิ้งไม่มีเศร้ า, สายสายเย็นมีกลางวันกลางคืนอันจึงว่าสว่างโล่ทั้งกลางวันและกลางคืน นี่ธรรมะเมื่อปรากฏเข้าสู่ใจได้ยินได้ฟังและจงมีความเพียรความขยันมันกระทำให้มากเจริญให้มากต่อแต่นั่นไปก็จะประสบพบความสุขความเจริญในธรรมความเจริญในจิตในใจของเราเองด้วยอำนาจแห่ง บุญกุศลคุณงามความดีที่ได้กระทาบาเพ็ญมาด้วยอํานาจแห่งคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็คืออํานาจแห่งการประพฤติปฏิบัติของเราเองนั่นแหละและด้วยอานาจแห่งความเชื่อความเล่อมงสายสติปัญญาสตาวามเพียรที่ได้ประพฤติปฏิบัติมาในอดีตก็ดีแล้วในปัจจุบัน ขอจงรวมเป็นพระกำลังแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นบรนดานห้ดวงจิตดวงใจของพวกเราท่านผู้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมทั้งหลายจงเอาชนะอธรรมให้ได้และเข้าถึงความเป็นธรรมโดยสิ้นเชิงในที่สุดและปารธนาสิ่งใดเป็นไปโดยชอบ ประกอบด้วยธรรมแล้วขอสิ่งนั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจงทุกท่านทุกคนเถิน